ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระพุทธญาณได้นำเสนอสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบมาโดยลำดับก็เริ่มต้นมาจากกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบในกฎแห่งกรรมตามที่ทงสอนให้สตดสาธยาอยู่เสมอ จนสามารถปรัจจั ย, ยอมรับความจริงตามกฎแห่งกรรมเหล่านั้นได้ข้อนี้ที่น่าสังเกตก็คือว่าทรงแสดงในรูปที่เรียกว่าปริยายเทศนาคือแสดงอย่างนั้นทุกคราวข้อความที่ทรงสอนให้พิจารณานั้นก็คือข้อที่ว่า คนเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นทีนรรน่พึ่งอาศัยใครทํากรรมันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นทีวิตของคนเรานั้นจับใดที่ยังไม่หลุดพ้นด้วยการบรรลุมรรคผลเป็นพระหันแล้วดูวแล้วยังต้องอยู่ในแวดวงของกระแสกรรม คือความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจากการกระทำของเราในขณะนั้นๆตลอดต้งแรงบันดาลมาจากอนิตกรรมซึ่งมีความสลับซับซ้อนอย่างที่ได้นำเสนอไปแล้วในข้อต่อไปเรียกว่าวิปัสนาสมาธิคือปัญญานี้ชอบตามความจริงในเรื่องของ สภาวธรรมทั้งหลายที่ต้องตกอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์ตามปกติเรื่องที่นำมาพูดมาพิจารณานั้นในตอนต้นโก็จะเอาเรื่องชีวิตธรรมดารรมดาคือไม่ไปแยกแยะไอสัตว์สังขารอะไรเอาไปพิสดาโดยความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา รู้การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอะไรก็ตามก็นึกถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสิ่งเหล่านั้นเอาไว้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยทําใจได้ปรับใจได้รู้เท่าทันแล้วก็แสวงหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้ในข้อนี้ที่จริงพระเอาพิสดารมันก็พิสดารนะมากๆแล้ว่เาเดินไปจนถึง เอานทีพานเงีทีเดียวแต่ว่าที่นำมาแสดงนั้นก็นำมาแสดงในรูปของชีวประจำวันในรูปของการทําใจให้ยอมรับความจริงเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เราจะเอามาคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆสาธยายบ่อยๆ หรือแม้แต่ว่าสิ่งอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็เียงใจยอมรับเอาไว้ยา่ิรงแสดงไว้ในโลกธรรมสูตรซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าโลกธรรมนั้นที่จริงมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาแต่เรามองให้ดีก็เป็นเรื่องรูปนาะมหรือเป็นเรื่องน้องขันห้า ลาบยศสันเสริมสุขเสริมลาบเสริมยศหนึ่งทาทุกมันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละคือมันเมื่อไรมันก็เป็นเขาันอย่างนั้นแต่ปัญหาสำคัญว่าถ้าใจเราไม่รู้เท่าทันเรืนงความจริงของมันใจก็จะฟูจกแฟบในยามที่ได้ลาบยศสันเสริมก็จะฟูขึ้น จะหลงเรื่องเลงจงหลงในอัตตาตัวเองให้ความสาคัญแก่อัตตาตัวเองเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลขึ้นไปเป็ น, น, นเอเนกันนั้นแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรและที่สุดชีวิตมันก็จะมากไปได้วยบาปด้วยอกุศลพอมาถึงเสื่อมลาสเสื่อมเลิกฐานทุกข์ก็ยิ่งสุดเดือดร้อน เป็นทุกข์คล้ายๆกับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียว่างที่มันเป็นของมันอย่างนั้นเด็กในรสูตรนั้นได้ทรงแสดงว่าที่จริงแล้วปุถุชนกับพระอริยบุคคลก็สัมผัสกับโลกธรรมเหมือนกันจุดต่างมันอยู่ที่ใจของบุคคลสองกลุ่มนั้นไม่เหมือนกัน คือปุจุชนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมของพระยะิยาไม่ได้ปฏิบัติธรรมของประยาไม่ได้มีคุณธรรมของภระยาเป็นเรือนใจเป็นหลักใจพูดง่ายๆว่าไม่มีปัญญากํากับใจมากพอพอได้โลกธรรมที่น่าปรารถนาใจก็ฟูขึ้นพอไม่น่าปรารถนาใจก็แฟบลง บางครั้งบางคราก็เกิดอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวคือนาวหนาวร้อนๆอนมีลักษณะของความสุขความทุกข์ที่ปนคละกันไปแต่ว่าระยะบุคคล น, นั้นพอสิ่งเหล่านี้เกิดเนี่ยปัญญาท่านเข้ากำกับทันทีเข้าประกบทันทีท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งเหล่านี้มันไปอยู่กดหลักเดิมคือเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปที่ไม่น่าปรารถนาเมื่อก็ถึงจุดหนึ่งก็เสื่อมสลายไปที่น่าปรารถนาถึงจุดหนึ่งก็เสื่อมสลายไปผลประโยชน์ที่จะได้จริงๆก็คือได้ในขณะนั้นๆ แล้พอมันแตกทําลายไปเราไม่เกิดความโศกหรือไม่เกิดความยินดีเมื่อตามปกติจิตใจของคนเราเลลวลาส่วนที่น่าปรารถนามันเสื่อมเราจะโศกพอส่วนที่ไม่น่าปรารถนามันเสื่อมไปเนี่ยเราจะยินดีแต่ว่าจิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเด่นที่มันเป็นเวลาเมันก็มาอีกไงนะตกลง ใ, ใจเราก็คูก็แฝงอยู่ตลอด แต่ถ้ารู้เท่าทันแล้วเราก็ววหาประโยชน์จามันได้ประการต่อไปเป็นมัคคะสมาธิฏฐิคือเป็นเรื่องของปัญญาเน้นชอบในทางดำเนินที่จริงก็เป็นการนำเสนอทั้งทางเสือเส่อมทางเจริญเพียงแต่ว่าบุคคลได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นทางเสื่อมว่าเป็นทางที่กวรแก่การงดเว้นทางเจริญเป็นทางที่ควรแก่การดาเนินไป วันก่อนได้ฟังเขาสัมภาษณ์เด็กที่ถูกจับไปอยู่ในสะานกักกันรู้สึกกว่าที่ปักเกิดอ่ะนะส่วนใหญ่เป็นการเสพการจำหน่ายยาเสพติดแต่ที่น่าคิดก็คือว่าเธอสมัครใจเสพเองกลายเป็นปัญหาที่น่ากลัวพูดยากนะทำความเข้าใจยาก แล้วพอจำหน่ายเธอก็รู้สึกว่ามันตัดลักขั้นตอนไปเมื่อก่อนพอเสพมันก็สนุกดีแต่ว่าต้องไปขโมยเงินของพ่อแม่บ้างของชาวบ้านบ้างมันก็มีปัญหาแต่พอเสพด้วยจำหน่ายด้วยมันก็มีเงินให้เสพก็มีไรายได้ให้เสพแต่แกไม่มองว่าอนาคตต่อไปจะเป็นยังไง แล้วก็ดูที่เขาพูดเนี่ยเป็นน้ำเป็นเนื้อกันดีนะแต่ภาพมันเป็นเงาแต่ดูแล้วก็เด็กอายุคงประมาณสิบห้าสิบหกแต่แทนเนี่ยนะเขพูดถึงแฟนชวนไปเสบแฟนชวนไปจำหน่ายบอกว่าเราต้องช่วยกันหากินต้องช่วยกันถาหากินถ้าไม่มีเงินก็จะลำบากอ่วไปกันใหญ่เลยอันนี้คือพังเสื่อม แต่เราจะเห็นว่าพอบทจะไปแสดงไปชี้แจงไปอธิบายเนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะอะไรเพราะว่าเธอชอบของเธอเองเธอพอใจของเธอเองเธอเลือกของเธอเองแต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้อนุเคราะห์โลกมันก็ต้องช่วยเหลือกันต้องชี้แจงต้องอธิบายบางครั้งบางคราวก็อาจจะต้องลงโทษต้องข่มขู่ เราทํายังไงให้เธอดึงเธอออกมาจากหลุมบอ่อเหล่านั้นได้จากอันตรายเหล่านั้นได้เหล่านี้มัก็เป็นทางเสื่อมแต่ทางเสื่อมพระเจ้าก็ท่งชี้บอกให้แต่เราเห็นชอบตามที่ทรงแสดงหรือเปล่าวันนี้คือทางเสื่อมถ้าเราไม่ยอมรับความเป็นทางเสื่อมแล้วก็ยังเดินก็ไม่รู้จะไหว ย, ยังไงการชี้บอก เป็นหน้าที่ของผุกอนุเคราะห์แต่การจะเดินไปหรือว่างดเว้นเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่จะต้องมีปัญญานชอบวันนี้คือทางเสื่อมนี้คือทางเจริญเราได้ประโยชน์ทั้งสองทางนั่นแหละถ้ามีสมาธิจิตกากับใจหมายความมาทางเสื่อมมีการงดเว้นเป็นประโยชน์ทางเจริญก็มีการลงมือดําเนินเป็นประโยชน์ ญหาสำคัญว่าโดยหลักจริงๆและเราก็ค่อน ข, ข, ข้างรู้นะเพียงแต่ว่าใจไม่เข้มแข็งมากพอที่จะลดเว้นทางเสื่อมมาโดยในทางเจริญความเสื่อมลักษณะซ้ทรากก็เกิดขึ้นความเจริญเป็นถนนใหญ่ที่เปิดกว้างเอาไว้ก็ไม่มีใครไปปัญหาความเสื่อมที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆก็ ปรากฏแพร่หลายเราก็เห็นกันเรื่องบางเรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่องมันก็ทําให้เป็นเรื่องขึ้นมานั้นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นความเห็นผิดคือไม่เห็นชอบในมัดที่เป็นเครื่องดาเนินย่นไะก็มีตัวอย่างที่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก็ได้นะ <c oughs> ในกรณีของการยิงทำลายพระพุทธรูปของพวกตาลิบันที่อับกาณิสถานและตอนนี้ก็ชักจะรุนแรงออกไปโดยลาดับพวกฮินดูซึ่งนถือรูปเคารพแล้วก็ถือว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุทธาวตานของเขาเหมือนกันเขาก็ไม่พอใจไอ้ไม่พอใจก็คือไม่พอใจอะนะะ เราก็แสดงในวิธีการที่ถูกที่ควรแล้วก็กลับไปเผาคำพีอันกุรอานของศาสนสายิสลามซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันกัวตาลีบานก็นักเติร์ส อ, อิสลามจริงแหละแต่ว่าอิสลามทั่วไปเขาไม่ได้เห็นด้วยอย่างนั้นหรอกแล้วก็กลายเป็นความขัดแย้งในอินเดียจนถึงก็มีการท้าทายกันนะฮะว่า อ้อินเดียหยุดสร้างวิหารครอมทัพที่อันเก่าของอิสลามที่โอดหรือที่อยุธยาได้ทางอิสลามเขาจะไปพูดกับพวกตาลิบันไม่ให้ทำลายพระพุทธรูปจะเราจ ะ, ร จ, รจะเห็นว่าถ้ามีปัญญายเห็นชอบเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเคารพนักถือจิตวิญญาณของบรรพชน ตลิบันนั้นเป็นคนรุ่นลูกหลานแต่งานเหล่านี้บรรพชนท่านสร้างไว้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องวันสงวันนะครับคือถ้าเรานับถึงศตวรรษคริสก็เรียกว่าศตวรรษที่สองที่สามแต่านับของพุทธมันก็อาจจะสับรับที่หกที่เจ็ดก็แสดงว่าพันกว่าปีเป็นผล ง, งานของบรรพชนในอดีต แล้วถ้าหากว่าเขาถือวันนี้คือมโมดกทางวัฒนธรรมเป็นปฏิมากรรมทางวัฒนธรรมที่ตนเองจะมีหน้าที่รักษาเอาไวค้คล้ายๆกับสังเวชในฐานในประเทศอินเดียเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้นับถือพุทธแต่เขาก็รักษ า, าไว้แล้วก็มีการทัุกบวบรุมประสมควรด้วย ตนสุดท้ายด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยดึงคนเข้าไปอินเดียปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยน้ำเงินเข้าไปสู่อินเดียจำนวนมหาศาลอาการนิทานเป็นประเทศที่ยากจนแล้วถ้าหากว่าเขาเปิดบ้านเมืองก็ส ง, งบดีเขาเปิดให้ท่องเที่ยวจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเนี่ยชาวุทธตัวโลกก็จะแห่ไปดู เงินจาต่ตางประเทศก็จะเข้าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นสังคมก็จะดีขึ้นแต่อย่างงี้มันเป็นการตัดเสียนตัดมือตัวเองคือตัดตัดมือตัดเท่าตัวเองไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วก็ว่ากันตามความจริงก็ศึกษาประวัติศาสตร์ให้ดีนะเคยมายัางมองว่าชื่อกลางของหัวหน้าเนี่ยฮะที่สั่งทําลายเนี่ยชื่อโมฮัมหมัดเป็นกัน ไปชื่อโจองไดมวอัมัดโครีที่สั่งทุบทาลายที่พุทธคยาที่นาลันธาแต่ผลสุดท้ายตัวเองก็มีอันเป็นไปหลังจากตัดกิ่งโพพิงเจ็ดวันดังนั้นเองเกิดเป็นแผลเป็นปุ่มพองขึ้นมาทั่วร่างกายแล้วก็ตายด้วยความทุกข์ทรมานและนี่คืออะไรก็คือ มันเกิดมิจฉาทิฏฐิในมัดในทางดําเนินในทางที่จะประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเกิดปัญญาเห็นชอบเนี่ยมันไม่ได้มองมุมใดมุมหนึ่งคือเขาไม่ได้มองมิติดใดมิติหนึ่งสมมุติโบราณสถานของอินเดียที่อยู่ในเมืองเราเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบพินดูพรามณเนี่ยอยู่เยอะเลยเราก็จะให้ความเคารพ สถานที่สําคัญสองัาของอิสราเต่างๆนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็ให้ความเคารพสถานที่สําคัญของคริสต์พุทธก็ให้ความเคารพเพราะในแง่ของความเป็นจริงท่านเหล่านั้นก็เป็นบรรพบุรุษมนุษย์มีคุณอุปการต่อโลกต่อสังคมทั้งโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั้นมันต้องมองเห็นชอบในตัวมรรคเนี่ยตัวทางดําเนินตัวทางดําเนินไปสู่ ผลที่เราต้องการร่วมกันก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่างฟังก็คงได้ยินข่าวคราวที่เกี่ยวกับการเรียกร้องของกลุ่มชาวพุทธเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษาคือประเด็นในที่จริงมันมีประเด็นเดียวแต่ว่าค่อนข้างเป็นประเด็นใหญ่กรรมการชุดนี้เป็นกรรมการที่มีความรอบรู้ในเรื่องศาสนาไอ้เรื่องเรื่องการศึกษา แล้วก็อยู่ในสํานักงานปฏิรูปการศึกษาเป็นกรรมการที่ก็ตั้งขึ้นเพื่อปฏิรูปการศึกษาแล้วเธอก็ตะเลิดมาปฏิรูปศาสนามาปฏิรูปวัฒนธรรมเข้าไปแลยยุ่งใหญ่เลยเพราะว่าศาสนาเนี่ยแต่ละศาสนาจะต้องมีศักดิ์และกะสิทธิตามกรอบของตัวเอง หมายความว่าสังคมาศาสนานั้นอยู่ร่วมกันแต่ไม่ใช่รวมกันรวมกันไม่ได้ได้ลองสังเกตว่าอย่างาศาสนาซิกเนี่ยาศาสนาซิกก็พยายามหลอห ล, อ ม, ลอมรวมาศาสนาฮินดูกับศาสนาอิสลาม เ, ลเข้าด้วยกันผลท้ายก็ไม่เป็นที่ต้องการทั้งของฮินดูและทั้งของอิสลามก็กลายเป็นาศาสนาที่เอกเทศออกไป แล้วก็มีความขัดแยง้งมีความอริการต่อสู้กันในประเทศอินเดียจนถึงก็อิสลามจนถึงกะพวกซิกไปยึดกลุ่มเศรษฐกิจกับการทหารเอาไว้ก็ทำให้มีพลังในการต่อรองในสูงแต่ก็มีข่าวคราวในทางที่ตะเลาะวิวาดกันอยู่แต่เราถึงคำสอนเนี่ยเราจะเห็นว่าพุณธทาสมาเกิดรุนแรงนะเช่นว่าต้องาพกพาอาวุธได้ตลอดห้าม คนห้ามตัดผมห้ามปรุงนวดอะห้ามห้ามโกนนวดะะอะไรแต่ไรเนี่ยที่จริงก็เป็นการตั้งก็ในความอ่อนน้อมนะท่านคุรูนานักเทพที่ตั้งก็ด้วยความอ่อนน้อมแต่อย่าลืมาเรื่องศาสนาเนี่ยไปทําแล้วไปยุ่งแล้วไปแยกนะไปะเกิดแตก mm hmm. ขึ้นมาบางคนนี่เขาฉลาดเนี่ยเขาจะไม่ไปยุ่มในเรื่องหลักนี้แม้แต่เรื่องศาสนานเดียวกัน ศานสาานามันเป็นเรื่องของความเชื่อและไปะยึดโยงอยู่กับที่สิ่งสูงสุดที่เคารพสักการะสูงสุดของแต่ละศาสนาจริงๆแต่ให้จะให้มีกรรมการมันก็ไม่เคยแปลกอะไรหรอกถ้าเป็นกรรมการที่บริหารร่วมกันเฉพาะด้านการศึกษาและกรรมการฝ่ายศาสนาเนี่ยเราก็ตั้งเป็นฝ่ายในกรรมการฝ่ายฝ่ายพุทธฝ่าย islam ฝ่ายคริสฝ่าย ราวินดูก็แต่เรฝ่ายแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างประประภารากิจไปเสนอแผนเสนอนโยบายเสนอโครงการขึ้นมาขอการสนับสนุนจากกรรมการใหญ่ศาสนาแต่แลักษณะก็อยู่ร่วกันแบบต้นไม้แบบคนเราที่อยู่ร่วมดินน้ำโรงไฟอากาศกันเดี๋ยวเนี้ที่เราอยู่ร่วมกันเดี๋ยวนี้เห็นไหมอยู่รวมไม่ได้ จะเราอยู่ร่วมกันโดยใช้แผ่นดินร่วมกันใช้อากาศร่วมกันใช้น้ำร่วมกันใช้ลมร่วมกันใช้ไฟร่วมกันแต่วันนี้มันไปนำไปยุบรวมและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไอ้เนื่อ ง, งานนั้นมันไม่ของไม่มีของศาสนาอื่นศาสนาอื่นก็คงอยู่อย่างที่เขาอยู่เพียงแต่เอาคนมาเป็นกรรมการและมีมีหน้าที่ในการกำหนดแผนกำหนดนโยบาย แล้วก็มีอำนาจในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินการทางศาสนาวัฒนธรรมซึ่งเป็นของพุลธล้วนประเด็นไม่อยู่ตรงนี้นิดเดียวมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องบุ่นวายหรือขัดแยง้งหรือรังเกียจศาสนาอื่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยจะต้องการจะชี้แจงให้เห็นว่า เป็นนิธีเป็นความเห็นที่มันผิดพลาดแล้วพอคนดีรู้เรื่องศาสนาไม่ว่าใครก็ตามอ่านแล้วก็เห็นว่าผิดปกติแม้แต่ว่าศาสนกในศาสนาเหล่านั้นเองก็เถอะถ้าเ้าถูกเอาสาสารณสมบัติทั้งหมดของท่านมาเอาบุคลากรของท่านมาแล้วก็ถูกบริหารในกรรมาการเหล่านี้ ตัว ม, มีลักษณะคล้ายกระบอกท่านก็ไม่พอใจเหมือนกันแต่วันดีของท่านเนี่ยไม่ไม่มีอยู่ในในเรื่องงานตรงนั้นแล้วก็มีแต่การได้เพราะ ง, งั้นปฏิกิริยาจะศาสนาเหล่านั้นก็ไม่มีไม่มีใครมีความรู้สึกต่อต้านาศาสนาแต่เราต้องการที่ให้ต่างคนต่างอยู่แล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันสื่อสารร่วมกันเพราะเราเป็นคนไทยแล้วกัน มีวัฒนธรรมร่วมกันเพราเราเป็นคนไทยด้วยกันแต่เราเห็นว่าว่านธรรมมันก็มาจากศาสนามันก็ต่างกันโดยเนะื้อหาแล้วเพียนแต่ว่าคนไทยเราเข้าไปร่วมวัฒนธรรมกับใครก็ได้นะฮะแต่ว่าร่วมทุกศาสนาไม่ได้เราเพราะเขาไม่ยอมไม่ร่วมด้วยและแนวมัคคุเทศก์นี้จึงเป็นตัวหลักหมายความว่าถ้าเราเห็นชอบเป็นตัวเหตุแล้วเนี่ยอะไรมันก็เดินได้ แต่ถ้าไม่เข้าใจในเหตุว่าอันนี้เป็นเหตุของสิ่งนี้ต่อไปจะเป็นสิ่งนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้คือในโลกนี้มันไม่เคยมีหรอกที่กาเอาศาสนาต่างๆมาเป็นกรรมการบริหารศาสนาใดศาสนาหนึ่งนี่มันไม่มีแล้วไม่เคยมีแล้วก็มีไม่ได้ด้วยแล้วยามอธิบายให้ด็อเตอร์เหล่านี้เข้าใจกันทั้งสามครั้งแล้วท่านก็เก่งนะฮะท่านก็รอบรู้ ส, สารพัด ท่านก็ไม่ยอมรับถามว่าเข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็พยายามอธิบายถูรูปถูกางไปเรืยเเราถามว่าบริหารอย่างไงก็ไม่ตอบมันบริหารไม่ได้เขียนนะั่นมันเขียนได้แต่บริหารแล้วจะนําไปสู่ความขัดแยง้งแล้วมันจะกระจายตัวคือเรื่องทั้งหลายเนี่ยมันต้องมองให้เขียนว่าในน้ําเหลืองนี่มันมาจากตาน้ำเลยใกล้ที่เบต กลายเป็นแม่น้ํามะฮือมาเหนะ็นไหมปัญหาบางอย่างมันเป็นปัญหาเล็กๆ เ, เพราะงั้นเราต้องป้องกันตัวปัญหาว่าสิ่งนี้นําไปสู่สิ่งนี้สิ่งนี้นําไปสู่สิ่งนี้สิ่งนี้นําไปสู่สิ่งนี้แล้เราก็ตัดต้นตอของปัญหาเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพราะว่าเรามีปัญหามากพออยู่แล้วในบ้านในมือเนี้ยก็ไม่ควรจะเพิ่มปัญหาขึ้นมาอีก ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะต้องมีการรลนรงมีการกระทำอะไรไปอีกกรมติของชาวพุทธที่ไปชุมกันวันนั้นก็ประมาณสี่ห้ารอยนะก็เป็นตัวแทนจากแค่ต่างๆได้เข้ามาไปชุมก็มีมติร่วมกันเป็นเรียกว่าเป็นเอกฉันไปเลยคือต้องการให้สถาบันพระพุทธศาสนานโดยเฉพาะสถาบันสง์ แวพวกวัดพวกาศาสนสถานพวกพกุทธมนทลพวกศ า, าศาสนสมบัติเนี่ยมันแยกตัวเองออกมาเป็นสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นองค์กรพิเศษตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้ก็ก็มีอยู่เยอะนะนี่เป็นตัวอย่างที่ยกมาเรื่องมรรคสมารถจิตติต้องฝังเท่าไหร่ แต่ลงมาปฏิญาณในวันนี้พอยุติไว้ในเวลาเป็นเทาน่านี้ที่สุดนี้เพราะความจเจริญงอ่งามไพบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี